บทแผ่เมตตาปราถนาจิตด้วยบุญกุศลนี้ถึงอลังการพุทธวิสุท ธ, ธิภูมิเบื้องบนทรงผลถึงผู้ทรงคุณอันใหญ่หลวงคือพระพุทธเจา้าพระมาหากษัตย์ครูบาอาจารย์บิดามารดา เป็นทานแก่อบายภูมิทั้งสามคือเดรัจฉานเปรสัตว์นรกหากแมนมีผู้ใดได้เห็นได้สนับมูลดังนี้ล้วนก่อเกิดโพธิจิตอย่างสิ้นรูปกายสุดท้ายนี้ ได้บังเกิดณสุขาวดีพุทธเกษตรด้วยกันด้วยสัจจาธิฐานนี้จงสลายอุปสรรคทั้งสามคือกิเลสกรรมวิบาตทั้งหลายจงมาลายหายสิ้นด้วยสัจจาธิฐานนี้ปรารถนาให้ถึงซึ่งสัจจะปัญญา รู้แจ้งกระจายสิน้นให้สัจจาที่ฐานนี้แผ่ถึงทั่วบา่าอันเป็นปุปสะแห่งกุศลกรรมทั้งหมดจงตัดทอนทำลายสลายสิน้นทุกทุกทุ ก, การทุกเวลาจะเดินตามโพธิสัตว์มาปฏิบัติบัติตามตลอดเสมอไป